ร่างกายเต็มไปด้วยของโสโครกตั้งแต่หัวถึงเท้าภาษาไทยมีคําว่าขี้ตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนมาถึงเท้าตลอดมีขี้นานาชนิดเคยรวบรวมไหมมีขี้เท่าไหร่ข <c oughs> ี้บางอย่างเราก็ววโทษอย่างอื่นขี้แมงวันีโทษแมงวัน ชี้หัวชี้ตาชี้หูชี้โมกชี้ฟันชี้เงือกชี้ใครชี้เต่ามีชี้อะไรอีกอะชี้มือชี้ตีนชี้เล็บอุสาหพัดเลยชี้ไหนก็ไม่ได้เท่าชี้เกียดชี้เกียดภาวนาบอกหลวงพ่ออยากได้มรรคผลนิพพานแต่ทำไงหนูชี้เกียดภาวนา โอ้ใครก็ช่วยไม่ได้แนละ้วชี้เกตภาวนาที่พวกเรานนีพานช้าไม่ใช่ไรเพราะพวกเราไม่ได้คิดจะหนิพานจริงถ้าเราเห็นโลกนี้เป็นทุกขนะ์นะม่จะนิพานเร็วเลยเพราะว่าไม่รู้จะอยู่ทำไรในโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของไม่ดีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้ใจมันจะหนีพาน นี่บางคนเนก็บอกอยากนิพพานอยากนิพพานมีอยู่วั น, นเปเทศที่ไหนจำไม่ได้แล้วถามใครอยากนิพพานบ้างยกมือโอ้เต็มห้องเลยเห็นเราปลื้มใจ <c oughs> เห็นเราปลืม้มคําถามต่อไปนะ <c oughs> คําตอบที่ได้รับถามใครกลัวหมดสมรรถภาพทางเพศบ้างกลัว <c oughs> <c oughs> ทั้งห้องเลยแต่อยากนิพพาน <c oughs> อะไร <laughs> เราติดโลกเราเห็นโลกเป็นของสวยของงามของดีของวิเศษเราติดโลกเราก็เลยหลุดออกจากโลกไม่ได้เราบอกโลกมันดึงดูดเราความจริงเราไปดึงดูดโลกโลกไปอยู่ของมันอย่างนี้แหละเราเข้าไปยึดถือไปหยิบไปช่วยขึ้นมาเพราะเราเห็นว่าโลกเป็นของดีของวิเศษที่จริงคําว่าโลกเนี่นะมันเริ่มตั้งแต่ ตัวนี้เป็นต้นไปตัวนี้เป็นสมบัติของโลกนะร่างกายจิตใจของเราเนี่เป็นสมบัติของโลกมากออกไปก็เป็นคนอื่นเป็นสิ่งอื่นเป็นสัตว์อื่นเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเป็นโลกกว้างออกไปตัวเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเราเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษเราก็ปล่อยไม่ได้พ้นโลกไม่ได้ ถ้าเมื่อไรเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกเริ่มตั้งแต่ร่างกายนี้นร่างกายยาววายาวหนึ่งวายาวประมาณนี้หนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งคืบหึวงพ่อก็ต้องมากหน่อยอาจจะสองคืบกว้างประมาณหนึ่งซอกแว่าวโลกเนี้ย ร่างกายที่ยาวาหนาคืบขว้างหนึ่งสองหนึ่งสอกก็สองคืบหนึ่งวามีสี่สอกต้องแปลฝรั่งมาหลายคนมารวัดอย่างนี้เขาไม่รู้จักหนึ่งคืบก็ยี่ห้าเซนหนึ่งสอกห้าสิบเซนหนึ่งวาสองเมตรนคนตัวสูงอย่างมากก็สองเมตรประมาณนั้น แต่ว่าวาเนี่ยไม่ใช่ตัวเมตรวาเนี่ยคือสุดแขนอย่างนี้นี่คือความยาวหนึ่งวาของแต่ละคนไม่เท่ากนะันหรอกแต่ถ้าวามาตรฐานจะสองเมตรสีที่เรียกว่าโลกมันเริ่มจากเนี่ยร่างกายซึ่งยาววานะ้ำืบกว้างหนึ่งสอกแต่ไม่ใช่ร่างกายเฉยๆมีสัญญามีความจำได้หมายรู้มีใจ มีใจครอบครองถ้าไม่มีใจก็ไม่เรียกว่าคนเป็นศพไปเราจะมาเรียนรู้อยู่ในขอบเขตยาวาหนาคือกว้างศองจะเรียนรู้อยู่ในร่างกายเรียนรู้อยู่ที่จิตใจนะเรียนรู้โลกเพราะตัวนี้แหละคือศูนย์กลางของโลก โลกจะกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนนะในความรู้สึกของเราเราก็คือศูนย์กลางของโลกทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนนะ้ซ้ำไปมองอะไรก็มองออกจากตัวเองทุกอย่างแวดล้อมเราอยู่ความจริงเราอาจจะไปแวดล้อมคนอื่นอยู่แต่เราจะรู้สึกว่าคนอื่นแวดล้อมเราอยู่เราจะไม่เรียนรู้โลกจนวันหนึ่งจิตเห็นโลกไม่มีสาระ จิตก็จะพ้นจากโลกเข้าสู่นิพพานการเข้าสู่นิพพานไม่ใช่การบังคับจิตให้ไปนิพพานแต่จิตมันไปเองเพราะมันมีปัญญาแก่กล้ารู้ความจริงของโลกซึ่งมีเซนเตอร์มีศูนย์กลางก็คือร่างกายยาวานาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจครองอยู่ง่ายๆก็คือเราจะเรียนรู้ ที่จุดศูนย์กลางที่ต้องเรียนคือกายกับใจของตัวเองนี่เองการเจริญปัญญาคือการได้เห็นได้เห็นนะได้เห็นความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่น่ายึดถือทําไมไม่น่ายึดถือมันเป็นแต่ตัวทุกข์ทุกข์เพราะความแปรปรวนเกิดขึ้นตลอดเวลาในร่างกายในจิตใจนี้ ทุกเพราะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในร่างกายจิตใจนี้ทุกเพราะไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงเลยนะไม่อยู่ในอำนาจบังคับทั้งร่างกายทั้งจิตใจนี้อย่างร่างกายสั่งให้ไม่แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้จิตใจจะสั่งไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้สั่งให้ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ทาอะไรไม่ได้สักอย่าง ถ้าเราได้เห็นความจริงแล้วนะว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษโลกทั้งโลกก็จะหาความดีความวิเศษอะไรไม่ได้เลยเพราะศูนย์กลางของมันเน่าไปซะแล้วสิ่งที่แวดล้อมอยู่ก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะฉนั้นเวลาเรียนกรรมฐานไม่ต้องไปเรียนจากโลกภายนอกเพราะว่ามันกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดเรียนตีอ้อมไปเรื่อยเสียเวลา เรียนกรรมฐานก็นเรียนเข้ามาจุดศูนย์กลางที่เรายึดถือคือเรียนเข้ามาที่กายที่ใจนิง่งนั้นขอบเขตในที่เราจะเรียนเนี่ยเล็กนิดเดียวนะยาวว่าหนาคืบกว้างสอกไม่ได้เรียนเกินนั้นออกไปวนเวียนอยู่ในกายในใจนิง่งเรียนก็ไม่ใช่เรียนเพื่อจะสะกดจิตตัวเองให้เชื่อว่ากายนี้ใจนี้ไม่ดี แต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของจิตใจวิธีเห็นความจริงของกายของใจนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนาก ร, รรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคำว่าปัตสนะแปลว่าเห็นคำว่าวิแปล ว, ว่าแจง้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเปลี่ยนจริงอะไรเป็นความจริงของรูปนามกายใจ คือไตรลักษณ์นั่นเองเพราะงั้นวิปัสสนากรรมฐานน่ะก็คือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจไม่ใช่เห็นอย่างอื่นนะไม่ใช่เห็นรูปเห็นนามเฉยๆต้องวิด้วยเห็นรูปเห็นนามเฉยๆแค่ปัศนายังไม่วินะถ้าวิเนี่ยเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นไตรลักษณ์ทาอย่างไรเราจะสามารถเห็นความจริงของกายทำอย่างไรจะสามารถเห็นความจริงของใจ เราจะเห็นความจริงของกายของใจได้นะถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสติสอนมาแต่เช้าแล้วสอนมาสองสามวันนะวิธีให้เกิดสติก็คือหัดรู้สภาวะพอสภาวะเกิดสติก็เกิดสภาวะที่ให้หัดรู้คือสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดที่เราเห็นได้ เั็นบางคนดูกายก็มีสติบางคนดูเวทนามีสติบางคนดูจิตแล้วมีสติตัวไหนก็ได้ส่วนสมาธิก็สอนแล้วให้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเชื่อจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเรามีสติรู้กายรู้ใจเราจะเห็นว่าในขณะที่จิตตั้งมั่นเนี เวลาสติระลึกรู้ร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันจิตนอยู่ต่างหากมันตั้งมั่นเป็นคนดูร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าโดยมีสติเป็นเครื่องมือไปรู้ร่างกายร่างกายกระดุกกระดิกสติรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูกายกับจิตแยกออกจยกกันเวลามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ว่ามีสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้น จิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะ <circ man. S 1> เห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตนั้นโคล่านกันเวลานมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นเช่นความโลภควาโกรธหลงเกิด ข, ขึ้นสติเป็นคนรู้ว่ามีความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแล้วสติระลึกรู้ว่าโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าโกรธโลภหลงกับจิตนั้ ienne, นเป็นโคจรละานกัน เพราะนเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องสก่อนขันถึงจะแยกพอจิตตั้งมั่นถูกต้องแล้วนะขันมันจะแยกออกเป็นส่วนๆขันมี5ขันคือรูปเป็นส่วนของวัตถุส่วนของร่างกายเวทนาคือส่วนของความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์สัญญาคือส่วนของความจาความจำได้หมายรู้ สังขารคือส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือส่วนของจิตือส่วนของความรับรู้ขันมีทั้งห้าขันเวลาแยกแยกสองขันก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องแยกทีเดียว5้าขันมันยากไปคนไหนถนัดดูกายเราเห็นว่ากายกับจิตเป็นโคนละนกันคนไหนถนัดดูความรู้สึกสุขทุกข์เราก็เห็นว่าสุขทุกข์กับจิตเป็นคนละนกัน คนไหนถนัดดูจิตก็เห็นว่าโลภโกรธหลงกับจิตเป็นคนละอันกั น, นเอาคู่เดียวก็พอไม่ต้องเรียนเยอะเรียนเยอะมันเหนื่อยเอาคู่ที่เราถนัดนถ้าดูกายเราก็จะมีจิตเป็นคนดูก็ถืออย่างน้อยก็สองละเรียนแค่สองขั น, นสองขันเนียขันนั้นหนึ่งก็คือต้องเป็นตัวจิตเป็นผู้ดูเรียกว่าวิญญาณอขันแต่ว่าวิญญาณอขันตัวเนี้ยทาหน้าที่เป็นจิตผู้ดู นะจิตนั้นทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันหลากหลายจิตตัวนี้เป็นจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูต้องมีตัวนี้ก่อนอีกขันหนึ่งเป็นผู้แสดงเห็นร่างกายแสดงจิตเป็นคนดูแสดงอะไรแสดงการหายใจออกหายใจเข้าแสดงการยืนเดินนั่งนอนแสดงการเคลื่อนไหวแสดงการหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูแค่นี้ก็พอละสุดท้ายก็จะเห็นว่า ตัวรูปคือกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูเอาเท่าจริงก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นผู้ดูบ้างเดี๋ยวก็ผู้ดูก็ดับไปกลายเป็นผู้คิดเป็นผู้เพ่งเลยนะสลับกันไปสลับกันมาล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทั้งสองฝั่งทั้งตัวร่างกายที่จิตไปรู้เข้านะทั้งตัวจิตเองแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเรียนเยอะหรอกนะบางคนไม่ชอบดูร่างกายดูเวทนาก็ได้นะเวทนาอาศัยอยู่ในร่างกาย ความสุขทุกข์อยู่ในร่างกายถ้าดูเวทนาในกายนก็จะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์ในกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งอันนี้แยกยากกว่ากันนะมีสามัญ น, นะถ้าถนัดดูจิตนะก็จะเห็นว่าโลบกรธลงก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งแล้วก็เห็นต่อไปอีกว่าโลบกรวลงเกิดได้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายนะซึ่งเป็นวัตถุกระใจ ซึ่งเป็นนามาธรรมนะกระทบอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูจิตดูจิตนะเอาเข้าจริงมันจะรู้กายโดยอัตโนมัติเพราะจิตของเราเปลี่ยนเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ด้วยมันจะรู้ทางกายรู้ทางจิตนั่นแหละเะันไม่ว่าเราจะทํากรรมฐานชนิดใดนะถ้าเราเห็นกายทํางานจิตเป็นคนดูเรียกว่ากายยานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเห็นความสุขทุกข์จิตเป็นคนดูเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถ้าเห็นจิต ท, ที่เป็นกุศลอกุศลแสดงไปนะกุศลอกุศลแสดงจิตเป็นคนดูเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนะบื้องต้นเนี่ยทำกายกับจิตไว้เวทนายากกว่ากายกับจิตเป็นของง่ายไม่ซับซ้อนเวทนาซับซ้อนกว่าทรมานุปัสสนายังไม่ต้องนะถึงวันหนึ่งจิตจะขยับขึ้นสู่ธรรมานุปัสสนาโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคน ทุกคนจะเข้าไปรู้แจ้งอริยสัจซึ่งเป็นธรรมานุปัสสนาตัวสุดท้ายเลยดูกายก็จะไปรู้แจ้งอริยสัจดูเวทนาก็จะรู้แจ้งอริยสัจดูจิตก็รู้แจ้งอริยสัจจะลงไปที่เดียวกันที่อริยสัจนี่การดูกายกับดูความรู้สึกทางใจมีการดูที่แตกต่างกันดูกายเนี่ยเราดูลงปัจจุบันขณะ คือเดี๋ยวนี้เลยเยกมือขยับมือรู้สึกไหมมือกำลังขยับยมีคำว่ากาลังใช่มมือกำลังขยับเอามือลงแต่การดูจิตนั้นจะไม่ดูปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะดูไม่ได้ปัจจุบันขณะเอาไว้ดูกายได้เพราะอะไรธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตสามารถรู้กายได้ เห็นร่างกายกระดุกกระดิกเนี itself, stars, ่ยจิตเป็นคนรู้ได้งั้นในขณะที่รู้กายเนี่ยจิตมีกายเป็นอารมณ์จิตรู้กายแต่ในขณะที่ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นขณะนั้นสติไม่มีหลวงพ่อบอกแล้วนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นขณะที่โกรธเนี่ยเราจะรู้ว่าโกรธไม่ได้เพราะตัวที่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคือสติ สติจะไม่เกิดเมื่อกิเลสเกิดเพราะในขณะที่โกรธเนี่ยเราจะรู้ว่าโกรธไม่ได้ต้องโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธจิตดวงที่โกรธนั้นเป็นดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นรู้ว่าจิตตะกี้นี่โกรธเป็นคนละดวงกันนะแต่การดูต้องดูอย่างกระชั้นชิดไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ต้องดูแบบกระชัน้นชิดที่เรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติสัน ต, ติคือความสืบเนื่องสืบเนื่องกับปัจจุบันเพราะนั้นการดูจิตนะโกรธก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลบก่อนแล้วรู้ว่าโลบไม่ใช่โกรธแล้วก็ทั้งมีตัวอื่นมาเกิดอีก500ตัวมาคั้นนะแล้วก็รู้ว่าก่อนโน้นโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยไกลไปดูจิตดูกายเป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้นะกำลังเกิดขึ้นนาว นะต้องใส่ i อ g นะแต่ถ้าดูจิตดูจิตดวงที่ดับไฟสดๆร้อนๆนะดูตัวที่เพิ่งดับสดๆแลโกรธขณะที่โกรธไม่มีสติขณะที่รู้ว่าโกรธจิตที่รู้ว่าโกรธเนี่ยไม่โกรธแล้วเป็นคนละดวงกับจิตที่โกรธแต่อาศัยสัญญานะมันอ้อยอิง มันยังจําความรู้สึกโกรธอยู่เราก็เลยรู้สึกสงสัยเฮ้รู้ตัวว่าโกรธ ด, ด้วยยังโกรธอยู่อีกนะสัญญามันหลอกนะมัหลอกงั้นดูกายดูลงปัจจุบันขณะพิสูจทั้งหลายเมื่อยือนอยู่ก็รู้ชัดว่ายือนอยู่รู้ชัดเลยว่ายืนอยู่นี่รู้ใ น, นปัจจุบันขณะนี้เมื่อนั่งอยู่รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้เดี๋ยวนี้เลยแต่เวลาดูจิตดูใจไม่เป็นอย่างนี้ ดูขรภิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาเห็นไหมดรภิกษุทั uh> ้งหลายจิตมีราคาราคาเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่ามีราคาไม่ใช่รู้ชัดว่ามีราคารู้เดี๋ยวนี้รู้ราคาชัดๆไม่ใช่เนี่ยคำพูดแต่ละคำไม่เหมือนกันนะวิธีดูไม่เหมือนกันดูกายดูเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏดูจิตนั้นสภาวะธรรมเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอย่าให้แล้วนานนะโกรธเมื่อวานวันนี้รู้ใช้ไม่ได้เนี่อดูกายกับดูจิตจะต่างกันถนัดดูกายให้ดูกายถนัดดูจิตให้ดูจิตทาไมบางคนต้องดูกายทาไมบางคนดูจิตเราดูจริตนิสัยของเราคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้ดูกายเป็นหลักไหม คนในเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ดูจิตเป็นหลักไว้แต่ก็มีข้อยกเว้นบางคนฟุ้งซ่านมากดูจิตไม่รู้เรื่องอย่างนี้ยกเว้นให้มาดูกายก่อนนะคือถ้าดูจิตไม่ไหวก็ดูกายไปก่อนมีหลักในการดูที่ครูบาอาจารย์สอนมานะสืบทอดมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นก็สอนมาหลวงปู่ดูลนท่านก็สอนอยู่ครูบาอาจารย์ก็สอนกันมาหลวงพ่อได้ยินจากหลวงปู่สุวัต ว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านมันก็หลักเดียวกันบอกถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทำสมถะให้ทำความสงบทำไมออกจิตเป็นตัวหลักคนจะชั่วหรือจะดีก็เพราะจิตจะบรรลุมรรคผลหรือไม่บรรลุมรรคผลก็อยู่ที่จิตนี่แหละจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในธรรมทั้งปวงนะเป็นหัวโจก บอกแล้วว่าเรียนกับหลวงพ่อมีแต่ตีหัวหน้าทั้งนั้นเลยตัวกิกก๊ อ, อกแมวเราเสียเวลาไหนไหนจะลบทั้งทีนะให้มันมีความเท่หน่อยอ mm hmm. ถ้าจะลบกันในหมาในแมวก็เจอนาโปรเลียนต้องลบนาโปรเลียนเลยอ๋อมันค่อยเข้าท่าหน่อยลบกับในพลในผลอะไรต่ออะไรฟังไม่มีใครรู้จักอะไรย่างเี้นะไม่เท่ลบก็ลบในผลลอมเบล ลบอเล็กซานเดอร์เจงกิสขานนะสู้ก็สู้พวกนี้เน่สู้กิก๊กก็ ก, ก็เมไหร่จะชนะนะตีก็ตีหัวหน้าโจรไม่ยากหรอกไม่ยากนะถ้ารู้วิธีมันไม่ยากเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเราทำน้าที่รู้อย่างเดียวเองจะยากอะไรรู้ใช่ไหมพวกเราหายใจออกรู้เป็นไหมเห็นหน้ากายหายใจออกเป็นไหม หายใจเข้าเป็นไหมโกรธเป็นไหมโลภเป็นไหมไม่เป็นทั้งนั้นอ่ะไม่จะยากอะไรก็รู้ไปสิร่างกายหายใจออกก็รู้ไปร่างกายหายใจเข้าก็รู้ไปถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติถ้ารู้ต่อไปอีกก็เห็นเลไอตัวที่หายใจออกเนี่ยมันไม่เที่ยงไอตัวที่หายใจออกเนี่ยมันทุกข์อยู่นะมันถึงต้องหายใจออกไอตัวที่กำลังหายใจออกไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างนี้เป็นปัญญาเป็นวิปัสนาจิตที่ไปรู้ ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดทนอยู่ในสภาวะเป็นผู้รู้ตลอดไม่ได้แล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้เป็นผู้รู้ตลอดก็ไม่ได้นะเี่จิตที่เป็นคนดูร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโรคกรดหลงที่เกิดขึ้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูของจริง การปฏิบัติไม่มีคําว่ายากเลยขอให้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นแค่คนดูคนสร้างหนังกับคนดูหนังอะอันไหนยากกว่ากันนะคนสร้างหนังยากใช่ไหมถ่ายแล้วถ่ายอีกเทกแล้วเทกอีกตัดต่อไปมาตัดไปตัดมาอาหมดไปเลยเอต้องถ่ายใหมนะ่เราเป็นแค่คนดูไม่ยากอะไร เราดูร่างกายมันทำงานเหมือนเราเห็นคนอื่นมันเห็นร่างกายคนอื่นดูจิตใจทำงานนะมันโลภมันโกรธมันหลงเหมือนเห็นคนอื่นโลภโกรธหลงเราเป็นแค่คนดูไม่ยากอะไรไม่ได้ว่าห้ามนะถ้าบอกว่าห้ามโน่นห้ามนี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อันนี้ถึงจะยากมีฟัสนาไม่มีคำว่าห้ามไม่มีคำว่าต้องมีแต่รู้อย่างที่กาลังเป็นเนะมื่อรู้แล้วตัวสุดท้ายเลยเมื่อรู้สภาวะแล้วเนะี่ย จิตไม่ฉลาดจิตยังหลงยินดียินร้ายต่อสภาวะอีกเช่นมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความสุขอย่างนี้ใช้ได้ละเห็นความสุขไม่ใช่เราอะไรเงี้ยนะจิตที่ไปรู้ความสุขก็ไม่ใช่เราแต่ชอบมาแต่ชอบมาแอบชอบความสุขยินดีให้รู้ทันพอรู้ทันความยินดีดับจิตจะเป็นกลางเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจิตไม่ชอบนะจิตรู้ว่าทุกข์แทนที่จะรู้อย่างเดียวแถมไม่ชอบเข้าไปด้วย ยินร well ้ายเรารู้ทันว่ายินร้ายพามีร้ายก็ดับจิตก็เป็นกลางในคําำสอนที่หลวงพ่อสอนพวกเรานนมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูและเป็นกลางชีบัวสุดท้ายคือเป็นกลาง เป็นกลางไม่ใช่สั่งให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนมาตั้งแต่กอกไก่ตั้งแต่เริ่มให้มีสติก็สั่งไม่ได้เป็นกลางก็สั่งไม่ได้แต่ให้รู้ว่าไม่เป็นกลางเหมือนจิตตั้งมั่นสั่งให้ตั้งมั่นไม่ได้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นแล้วมันตั้งเองเป็นกลางสั่งให้เป็นกลางก็ไม่ได้รู้ว่าไม่เป็นกลางรู้ว่ายินดียินไรแล้วมันเป็นกลางเองนี่ความอัศจรรย์ของธรรมะนะเรียนๆแล้วไปภาวนาเข้า สอนขนาดนี้แล้วไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะนี่เป็นไก่ที่กำลังร้องเรียกลูกเจี๊ยบให้ขึ้นต้นไม้นะ <c oughs> เรียกจนเสียงแหบเสียงแห้งเรียกมาสามวันแล้วถ้าสามวันเรียกขนาดนี้ลูกเจี๊ยบยังไม่ยอมโผผินบินขึ้นต้นไม้แม่ไก่ก็บายบายแล้วจะ <c oughs> ต้องพาลูกไก่ตัวที่โตกว่านั้นแข็งแรงกว่านั้นไปละไม่รอล้ เพราะฉะนั้นเราต้องขยันนะถือศีลห้าทุกวันแบ่งเวลาทาในรูปแบบสักส5นาทีเป็นอย่างต่ำนะทำในรูปแบบก็ไหวพระสวมดมนต์นิดหน่อยแล้วก็นั่งภาวนาทำกรรมฐานไปถ้ามันฟุ้งซ่านเหน็ดเหนื่อยมากก็ทำกรรมฐานให้จิตใจสบายให้สงบสบายถ้าวันไหนมีเรื่องมีแรงพอก็ทำกรรมฐานฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามา พุโทโธพุโทโธจิตไหลแล้วรู้อะไรเงีนะ้ยเวลาที่เหลือนะถ้าว่าวันนี้จิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยจเจริญปัญญาเลยในขณะที่ทําในรูปแบบนะจเจริญปัญญาไปเลยเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูมันไม่ใช่เราหรอกอะไรเงี้ยเห็นจิตใจแอบไปคิดเรื่องน้อนเรื่องนี้มันไม่ใช่เราหรอกอไรไอรอรอมันมห น, นีไปได้เองนะนี่จเจริญปัญญาไปเลยเพราะฉะั้นการทําในรูปแบบเนี่ยทำได้ร่างหลายอย่างไาม่พาะสวดมนต์เหมือนไหว้ครูซะหน่อยหนึ่งอย่าลืมนะ คิดถึงคุณพระพุทธเจ้าวไว้สมาธิมันจะเกิดง่ายแล้วก็ถ้าวันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบวันไหนมันสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้จิตที่ไหลไปไหลมาวันไหนมันตั้งมั่นแล้วยังไม่หมด15นาทนะีก็ดูการทำงานของกายดูการทำงานของใ จ, จเลยเจริญปัญญาไปเลยนะถือศีลห้าทำในรูปแบบเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจาวัน การจเจริญสติในชีวิตประจำวันทํำยังไงมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้ากระทบอารมณ์แล้วเกิดสุข ก, ก็ให้รู้เกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดกุศลก็ให้รู้เกิดโลภโกรดหลงก็ให้รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายเราสั่งไม่ได้นี่ฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันฝึกอย่างนี้ ฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับนะหลับแล้วก็แล้วกันไปแต่ถ้าฝึกไว้ชำนาญตอนหลับก็ภาวนาได้อีกจิตมันจะหลับไปเดียเด๋ยวๆนะมันจะเด่นดวงขึ้นมาภาวนาต่อได้ร่างกายกลวนครอกๆเลยนะจิตภาวนาต่อตอนทำงานที่ใช้ความคิดตรงนี้ทาสมถาวิปัสสนาไม่ได้ทั้งสิ้นนะ งั้นเวลาที่เราทำงานที่ต้องคิดให้จดจ่อกับงานสติอยู่กับงานสมาธิปัญญาคิดเรื่องงานจดจ่ออยู่ที่งานไม่ใช่เวลาทำสมาธและวิปัสสนางั้นส่วนที่ยกเว้นนะคือตอนนอนหลับนอนหลับเนี่ยเราจงใจทำไม่ได้ยกเว้นมันชำนาญมันทำของมันเองตอนที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดปฏิบัติไม่ได้ไม่ต้องมาถามนะ ว่าหนูจะทํำยังไงตอนนี้หนูกําลังคิดเรื่องงานก็คิดเรื่องงานให้รู้เรื่องเถอะอย่ามาคิดเรื่องปฏิบัติไม่งั้นงานก็ล้มเหลวนะเอาสักอย่างหนึ่งแต่เวลาที่เหลือที่ไม่ได้คิดเรื่องงานนะอย่าไปทิ้งตเปล่าวันวันหนึ่งนะเรานอนไปหนึ่งในสมของวันนะสมมตินอน8ชั่วโมงหนึ่งในสาของวันหมดไปแล้วกับการ น, นอนไม่ได้ภาวนาะนะทํางานวันหนึ่งกี่ชั่วโมง บางคน8ดชั่วโมงบางคนเจ็ดชั่วโมงบางคนสิบกว่าชั่วโมงนะเวลาที่เหลือนี่เหนื่อยอยากพักผ่อนหมดแล้วไม่มีเวลาพอนาละเหลือเวลาพอนาที่ไหนเนะมื่อมีเวลานี้นิดหน่อยๆ น, นะสนุกกับการดูกายสนุกกับการดูใจเราจะพักผ่อนด้วยการเจริญวิปัสนานะถ้าทำวิปัสนาไม่ได้พักผ่อนด้วยการทำสมถะถ้าเมื่อไหร่นะเราสามารถ พลิกใจของเราเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้นะว่าการที่เรามาเห็นกายเห็นใจทํางานเนี่ยเหมือนงานอดิเรกันนึงสนุกนะองานประจำก็คือทํามาหากินไปงานอดิเรกก็คือกาดูกายดูใจทํางานโอ้ยสนุกถ้าสนุกตัวนี้ได้นะมักผลไม่หนีไปไหนหรอกจะขยันดูเวลาทางานอดิเรกนะทำจริงจังนะบางคนเวลาทํางานเนี่ยงานอาชีพเนะียขี้เกียจทำทำแบบสังกตายผ่านไปวั น, วน ไปทํางานอดีเลยบางคนเล่นสแต็มหูบันวันไม่ทํำไรนะเที่ยวค้นหาสแต็มตัวไหน ย, ยังขาดอยู่ตัวไหนจะตลกบ้างนะัเที่ยวหาซอกซอกๆับไปนะมีความสุขในการที่เล่นแล้วมันจะเล่นได้ดีถ้าเมื่อไร่เราสามารถภานาะเหมือนทํางานอดีตเลยนะแสนสบายเลยจะขยันไม่ใช่ฝืนใจทําพวกที่ฝืนใจทำคือพวกอยากได้มรรคผล อยากจะเอาอยากจะเอาอยากจะเอาลูกรีลุกร้อนลูกรีลูกร้อนเครียดรับรองไม่ได้อะภาวนาต้องพาวนาสบายชินชินเลือเอาเทศเสียอยู่เลยนะไหนๆก็ปิดคอร์สวันนี้ละถ้าจําอะไรไม่ได้เลยก็จําไม่อย่างหนึ่งก็แล้วกันว่าต้องถือสี่ห้าโอเค ที่เหลือไปฟังซีดีเอาส่งกันบ้านนัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้ก็เห็นความรู้สึกสุขทุกข์เหมือนกับมันเคลื่อนไหวอยู่ในอกค่ะ ม, ม, ม, มันอยู่ในกลางอกแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมโทสะเจ้อนิดๆคือมันจงใจนิดๆค่ะดีดูไปไม่งั้นมันจะเพลินนะ เพลอเพลินตัวนี้เป็นกิเลสชื่อนันธิราคะเป็นราคะอย่างหนึ่งนันธิราคะเพลอเพลินโลกนี้จะสบายโลกนี้อร่อยอร่อ ย, ออยนะแต่พอย้อนดูอย่างเนี้จะเห็นความจริงที่หลวงพ่อบอกเนี่การภาวนานะมันอยู่ในกายนี่ยาววานาคือกว้างสอกมีสัญญาและใจคลองนะดูตรงนี้นะมีเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นโทษนั่นแหละใจก็จะคลายความยึดถือในรูปนาม เมื่อใจไม่ยึดถือในรูปนามใจก็เข้าสู่พระนิพนพะานจะสัมผัสพระนิพพานอ้าต่อไปก็มีเพลงๆค่ะหลวงพอ่อเพลงก็ไม่เป็นไรให้รู้เอาเราอยากดีเราก็เพง่งถ้าจิตไปอยู่ข้างนอกก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องดึงแรงแค่คอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเดี๋ยวมันกลับเองแค่คอยรู้สึกอยู่ในกายเนี้ยเดี๋ยวมันกลับเองไม่ต้องไปดึงถ้าดึงแล้วแน่นอ่ะ ฟุ้งสั้นน้อยลงค่ะเออถ้าฟุ้งหนูก็หายใจไปรู้สึกไปอะไรเงี้ยฝึกบ่อยๆจิตจะได้ส่งสมาธิขึ้นมาค่ะแล้วดูดูกลางออกแล้วมันตึกๆอย่างนี้ออดูอย่างนี้ก็ได้ใช่ไมได้ได้นะแต่ใจต้องไม่ฟุ้งนะใจะสบายๆถ้าใจฟุ้งดูแล้วไม่มีคุณภาพค่ะาาาการอภิษฐาหลวงพ่อครับวานก็เดินจงกรมแต่รู้สึกว่าจังหวะที่เราเดินรู้กายรู้ใจครับบางทีพอเราลุกปั๊บเนี่ยมันไม่กลับมามัน มันกายเป็นเพ่งที่เท้าตลอดเลยครับเออนั่นแหละดีที่รู้นะนักปฏิบัติจํานวนมากเลยดูท้องก็ไปเพ่งท้องดูเท้าก็ไปเพ่งเท้าดูมือก็เพ่งมือดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจดูอะไรเพ่งหมดเลยกี่ชาติมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับแต่ตอนนี้เรารู้ว่าเพ่งเราใช้ได้เดี๋ยวมันค่อยหายเองแหละเรารู้ที่ผิดแล้วเดี๋ยวมันถูกเองกราบน้ำมศการทุกข์หลวงพ่อ โยมก็ภาวนา ม, มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ขณะนี้ใจโยมอยู่ในนรกทับทั้งวันเลยใช่ไหมคดีที่รู้นะนรกจะขังเราไม่ได้ะใจเราทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์ใจเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบดูอย่างนี้นะ <Okay. S 2> ไม่ต้องกลัวนรกนรกแตกแน่นอนจะติสติก็แตกมาเจ้ค่ะหลวงพ่ อ, อถ้าสติแตกนรกไม่แตก <laughs> มันต้องแตกกันข้างหนึ่งนะ <laughs> าพานาไปไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เสียหายอะไรมากหรอกรน้มาสการเจ้าค่ะครับก็คุณภาพจิตมันก็ยังไม่ดีอยู่มันยังดูไม่ได้อยู่แต่าก็ทำบุญทำในรูปแบบไปอย่างเดียวครับทำไปมีหน้าที่ปฏิบัตินะเราถือว่าเราปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้ามันมันสงบตอนวันนี้ตอนเข้ามาในวัด<อ>ปกติมันก็มาบ่อยๆสิ <laughs> ครับจะปรับภาวนาอย่างไงให้มันมันโลภให้รู้ทันกิเลสที่กําลังเป็นปัจจุบัน อ, อยากให้มันดีก็ ค, คิดว่าทำยังไงจะดีพอคิดว่าทําไงจะดีนะการปฏิบัตินั้นจะเจือด้วยโลภตลอดเลยมันจะไม่ดีสักทีเลยนะให้รู้ทันกิเลสที่เกิดสดๆร้อนๆรูร้รไปสบายๆโมโมหะกับโทสะที่มันเยอะๆคุ้มๆ ไ, <ม>ไม่ห้ามสามารถปรับอะไรนะไม่ปรับ เห็นไหมใจคิดแต่ว่าจะแก้อย่างไงจะทํำยังไงจะทำงไทำง ไ, ไม่ให้มันมีห้ามมันมีวิปัสสนาไม่มีห้ามไม่มีต้องนะจิตมีโมหะหรือว่ามีโมหะจิตไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบจิตมีโทสะหรือว่ามีโทสะจิตไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบนะแค่นี้เองอนะ่ะงั้นสภาวะที่ดีกับสภาวะที่เลวเนี่ยนะเท่าเทียมกันนะในขั้นวิปัสสนากรรมฐานถ้าขั้นจริยธรรมหรอกไม่เท่ากัน แต่ในขั้นวิปัสสนาเนี่ยจิตมืดจิตมืดแล้วใจเราไม่ชอบอะเรารู้ทันแค่นั้นก็พอแล้มืดก็ไม่เที่ยงสว่างก็ไม่เที่ยงมืดก็ไม่เที่ยงมันเท่าเทียมกันนะดีก็ไม่เที่ยงนะชั่วก็ไม่เที่ยงนะมันเท่าเทียมกันนะในขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยมันเท่ากันงั้นจะไปคิดแต่ว่าจะเอาที่ดีจะเอาจะไม่ให้มันชั่วจะเอาดีเกลียดรักดีเกลียดชั่วทำอย่างเงี้ยทำให้ตายก็ทำให้สำเร็จ เพราะอะไรเพราะจิตนี่เป็นอนัตตาเราจะเลือกเอาตามใจชอบไม่ได้หรอกจิตมันทางานของมันเองเราเรียนจนรู้ความจริงของมันว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่เราแล้วเดือดร้อนอะไรจับหลักให้แม่นถ้าจับหลักแม่นแล้วจะไม่มีคําว่าจะต้องทํำยังไงอ่ะมันมัวแล้วจะทํำยังไงไม่มีทํามัวกับสว่างเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าถ้ารู้ไม่ทันนะพอสว่างก็พอใจยินดีพอมัวก็ยินร้าย รู้ทันยิ น, ยนดียได้เข้าสู่ความเป็นกลางแล้วเท่ากันหมดเลยเพราะทุกอย่างสอนใจลักณที่เราเรียนเนี่ยเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตกอยู่ใต้ใจลักษนะเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบเอาสว่างะ นวสการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสามเดือนค่ะอันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ ห, หนูเคยปฏิบัติธรรมมานานพอสมควรค่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมาฟังซีดีหลวงพ่อประมาณสามเดือนค่ะ ห, หนูไม่แน่ใจว่าที่ทำถูกเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมล่ะเห็นค่ะต่อไปเราดูนะร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกก็ไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อย คอดูไปหน้าอะไรอะไรก็ไม่ใช่เราโลกกิดหลงไม่ใช่เราร่างกายก็ไม่ใช่เราโดยอย่างนี้อ้าว่ามากราบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาหเดือนแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งมีโอกาสส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ ะ, ะแล้วก็ตอนนี้หนูใช้พุทโธค่ะเป็นเครื่อง อ, อยู่ใช้ได้พุทโธเนี่ยเป็นเครื่องอยู่นะพุทโธไม่ใช่คุกขังจิต งั้นเวลาเราพุโทโธเนี่ยให้พุโทโธแล้วรู้ทันจิตเช่นพุโทโธแล้วจิตเป็นสุขก็รู้พุโทโธแล้วจิตเป็นทุกข์ก็รู้พุโทโธแล้วจิตสงบก็รู้พุโทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้นี่ถือเรียกว่าพุโทโธเป็นนะไปพุโทโธให้เป็นนะค่ะค่ะหลวงพ่อคะบางทีเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วก็เวลาทํารูปแบบคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนหนูติดการประคองแล้วก็กยังติดนิ่งค่ะอ หนูต้องปรับหรือว่าแก่ยังไงคะรู้ว่าติดนะเดี๋ยวมันค่อยๆ ค, ค, คลายน ะ, ะมันค่อยๆ ค, คลายเองไม่ต้องตกใจค่ะ <c oughs> กราบนรรมสการค่ะว่าไงก็ครั้งส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปทําสมาธิทำ <c oughs> ทำสมาธิแล้วก็ทําในรูปแบบมากขึ้น <c oughs> ค่ะแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบมา ทุกๆวันค่ะก็วันหนึ่งก็มากมากน้อยต่างกันแล้วแต่แล้วแต่โอกาสค่ะทำให้สม่าเสมอนะเพื่อว่าเราจะได้เห็นว่าทั้งทังที่เราปฏิบัติเหมือนเหมือนกันทุกวันนะแต่จิตไม่เคยเหมือนกันสักวันเลยบางวันก็เจริญบางวันก็เสื่อมแล้วก็เห็นมันต่อสุดท้ายมันจะเห็นนะไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราที่แท้จริงหนูจะโมหะมากโมหะมากก็ไม่เป็นไรหายใจไปรู้สึกไปนะ จิตมัวก็รู้ว่ามัวมัวน้อยลงรู้ว่ามัวน้อยลงฝึกอย่างนี้ก็ได้ค่ะค่ะกับน้ำมัสมัชการหลวงพ่อนะคะอืค่ะหนูก็สร้างซีดีของหลวงพ่อมาครึ่งปีแล้วค่ะแล้วก็ทําในรูปแบบทุกวันค่ะดีค่ะก็ใช้อ่าคำวิริกรรมเป็นเครื่องอยู่ค่ะดีค่ะก็วิริกรรมแล้วรู้จิตเนาะใช่ค่ะก็เห็นจิตไปคิดบ้างก็เห็นบ่อยค่ะแต่ว่าก็มีฟุ้งบ้างค่ะ ทำถูกแล้วล่ะ <c oughs> ไม่ทำอีกนะทำสม่ำเสมอตั้งใจไว้เราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตเลยค <c oughs> ิดอย่างนี้แหละส่วนจะได้มรรคผลอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของจิตขอบพระคุณค่ะกลาวนมศการหลวงพ่อคะอ่ะหนูดูสุขทุกข์เฉยๆะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ดูจิตที่ไหลไปขค่ะ ด, <c oughs> <c oughs> ดูได้อย่างนั้นก็พอแล้ว <c oughs> ถ้าวันไหนฟุ้งซ่านนะก็ทําความสงบบ้างตัวพี่เลี้ยงให้ให้ดูลมหายใจอะค่ะจะไ ด, ด้มีสติ<ด>แล้วดูร่างกายหายใจ อ, อย่าไปดูลมหายใจนะดูร่างกายหายใจถ้าดูลมเนี่ยไปจ้องลมไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเครียดดูร่างกายหายใจเห็นตัวนี้หายใจอยู่งั้นหนูหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นว่ากายที่หายใจอ ย, อยู่กับใจในั่งคนละอันกันนะ จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าดูแต่ลมหายใจมันจะไม่แยกขันกราบธรรส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสองปีแต่ว่าก็มีช่วงไม่ต่อเนื่องบ้างค่ะส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกก็อยากจะได้คำแนะนำจากหลวงพ่อในการปฏิบัติให้เหมาะกับจริตนะคะจริตเราเป็นแบบไหนล่ะรักสวยรักงามไหมหรือเจ้าคิดเจ้าแค้น เหมือนจะทั้งรักสวยรักงามรักสุขรักสบายแล้วก็มีช่างคิดช่างสงสัยด้วยไม่ถึงขนาดเจ้าแค้นนะแค่ช่างสงสัยน ะ, ะเออดีดูกายไว้ด้วยนะเพราะหนูเนี้ยเป็นคนรักในความงามนะดูกายเรื่อยๆไปเอากายเป็นฐานส่วนความรู้สึกท่างหลายเนะียมันเห็นเป็นของแถมนละเองแหลนะกราบนมัสการครับหลวงพ่อพอดีใจเขา ได้ความรู้เรื่องการสลัดคืนนะครับอืแล้วก็เพศที่เหมาะกับการสลัดคืนนี้ซึ่งผมไม่เคยสวดมนต์เลยพอดีเพิ่งมาได้สวดมนต์กระคอส์นะครับอไปเจอไปเจอบทสวดหนึ่งนะครับอภาระสัตเสุตตะคถาครับซึ่งใจเห็นตรงนั้นอืครับหลวงพ่อดีแล้วไงล่ะ ขันทั้งห้าเป็นภาระเป็นทุกข์นะคนมันแบกเอาขันไว้เรื่อยๆยึดอยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกคิดว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะพ้นทุกข์ปฏิบัติอย่างนี้แล้วพ้นทุกข์มันก็ไม่พ้นอยู่ดีแต่ถ้าเมื่อไร่มันเห็นว่าขันนี้เป็นทุกข์เป็นโทษนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันวางขันมันก็พ้นจากทุกข์งั้นมันไม่มีทางที่จิตจะพ้นทุกข์ด้วยวิธีอื่นไม่ว่าจะทํำยังไงมันก็ไม่พ้นหรอก จนกว่ามันจะเห็นความจริงของขันการรู้ทุกข์นั่นแหละถึงทาให้เป็นทางที่ทำให้มีมรรคผลเกิดขึ้นนะสาธุครับกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูฟังซีดีมาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำในซีดีก็คือให้ถือศีลห้าค่ะเออถือศีลห้าได้ก็ดีแล้วล่ ะ, ะถือได้ดียัง <laughs> หัวร้านแบบหนูขอการบ้านค่ะหนูต้องไป ถ, ถือสีหน้า <laughs> ถือนสีหน้าได้แล้วหนูก็ดูนะกายกับใจมันโคตรลานค่ะค่ะมีมีครั้งหนึ่งที่เคยนั่งสมาธิแล้วมีความสุขมากมแล้วครั้งนี้ก็เลยว่าเอ๊ะ ความสุขมีอีกสักหน่อยก็คงหายเพราะว่าเคยนั่งแบบนี้แล้วอีกสองวันก็หายอืถกแล้วมันก็เลยกลายเป็นเฉยๆอะคะ่ะใช่มันก็เป็นอุเบกขา ค, ความสุขมันเป็นของเด็กเล่นมันเป็นเรื่องของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้หรอกนั่นจะไปนั่งสมาธิเพื่อให้มีความสุขนะไม่ใช่ที่พึ่งอะเพราะเดี๋ยวมันก็ดับนั่นเรามาดูให้เห็นความจริงความจริงของกายความจริงของใจ จิตมันเหงความจริงมันคลายความยึดถือเหมือนว่าพ้นทุกข์จริงๆก็หนูปฏิบัติมาหนูฟังหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ2ปีอ ะ, ค, ะค่ะค่ะทีนี้ก็คือหนูหนูจะใช้วิธีการดูเรื่องเรื่องของความโกรธอะคะ่ะแล้วก็แล้วก็ความเศร้าแล้วหนู เ, เคยเห็นความเศร้าดับไปต่อหน้าต่อตามไม่เหตุดับอะคะ่ะใช่ได้แล้วก็ทีนี้ก่อนหน้านี้นะคะ่ะหนูสังเกตว่าจิตหนูอะคะ่ะมันมันไม่เอาการพยายามบังคับตัวเองเพื่อนั่งทำทำเหมือน เหมือนปฏิบัติในรูปแบบะคะเพราะว่าหนูเหมือนฝืนตัวเองแล้วหนูก็สังเกตว่าจิตหนูเหมือนฟุตเวิร์หลบตลอดว่าพยายามจะทาแล้วมันก็จะเกี่ยงตลอดแต่พอมาที่เนี้ยคะ่ะหนูได้เข้าใจว่าการจริงๆแล้วอ่ะคะ่ะก็คือสิ่งที่เป็นการบ้านที่หนูต้องทำคือหนูควรจะรักษาสีให้ดีแล้วก็ดูกายดูใจรู้ดูสภาวะไปเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือมันไม่ได้ยากเหมือนถึงขั้นที่ต้ ง, ตงกดข่มแล้วหนูคิดว่าตอนนี้หนูเริ่มสนุกที่ที่อยากจะดูอะค่ะจิตหนูมันจะสนุกเริ่มสนุกกับการเออถ้ า, าสนุกก็ <คง S 2> จะขยันดูแล้ว ล, วลวะถ้าไปสมาธิ้ามาน ะ, ะาการทําสมาธิจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยค่ะขอบพระคุณช่วงชวงสองเดือนนี้โยมเปลี่ยนคําบริกรรมมาเป็นเมตตาคุณังอรหังเมตตานะคะจากเดินที่เคยรวบ จิตเข้ามานี่เป็นรู้สึกว่ามันจะกว้างออกไหมคบว่ามันเลวเท่าเดิมหรือดีขึ้นมันดีสิถ้าไปกดเอาไว้ น, นนะอึดอาดนะอย่างเราเจริญเมตตานะใจมันจะเปิดใจมันกว้างขึ้นสบายแต่ว่าเราก็รู้สึกตัวอยู่นะบริกรรมรู้เนะื้อรู้ตัวไปใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขถ้าวันไหนใจอึดอาดรู้ว่าใจอึดอัดเจริญเมตตาไปแล้วก็รู้ทันใจไปเจอค่ะ การน้ำสการพระอาจารย์ค่ะอืโยม <โย S 2> <ย>ก็เพิ่งจะได้ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะอืเพิ่งจะได้ฟังแล้วที่โยมก็เคยปฏิบัติมาแล้วแต่นานมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำใหม่อีกเลยค่ะอืแต่ว่าโยมใช้อาศัยการดูร่างกายเคลื่อนไหวออการทําท <ำ S 1> ถูกค่ะแล้วก็ แล้วบางครั้งเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นพ็อโยมก็จะเห็นว่าโกรธแล้วนะถูกแล้วก็ถ้าเกิดเห็นอะไรอย่างนี้ว่าเอ๊ะของที่หล่นข้างถน น, นเอ๊ะมันเป็นเงินหรือเปล่าโยมก็เอ๊ะนี่เราโวภเกิดขึ้นแล้วนะเออถูกอีกดูอย่างนั้นแหละ <c oughs> ค่ะเห็นไหมความรู้สึกเกิดแล้วเราก็รู้ความรู้สึกเกิดแล้วเราก็รู้รู้ไปเรื่อยบางทีโยมก็คิดไปเรื่องอื่นคิดไปแล้วก็นึก เออนี่คิดมากแล้วเลยมายึดเอาภาวนาพุโทโธในใจค่ะอย่างนั้นถูกอีกภาวนาพุโทโธในใจแต่ตอนที่ในใจเรานึกพุโทโธพุธโทโธแต่ทําไมมีความคิดมันไปคิดเรื่องอื่นด้วยคะได้เพราะใจออใจยังภาวนาพุโทโธอยูออ่ใจมันไม่ยังไม่สงบนี่ไม่เป็น<อ>สมาธินะเราก็ไม่ว่ามันเราก็พุโทโธพุธโทโธไปจิตฟุง้งซ่านหรือว่าฟุงา้งซ่านแล้วก็พุโทโธใหม่นะไปฝึกอีกไป แต่โยมไม่ค่อยปฏิบัติตามแบบที่ไว้พระสวดมนต์ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่พุทโธทั้งวันนี่แหละปฏิบัติในรูปแบบ <c oughs> พุทโธไปทั้งวันเลยนะในใจเราพุทโธแล้วก็รู้ทันใจของตัวเอง <c oughs> ใจสุขก็รู้ทุกก็รู้สงบก็รู้รฟุ้งซ่านก็รู้รู้ <c oughs> แค่นี้ก็พอละ <c oughs> แต่ของโยมอายุเยอะแล้วดูกายด้วยนะค <c oughs> เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะล้มจะตายแล้วจะเห็นกายมันตายใจเรา <c oughs> อยู่กับพุทโธ <c oughs> <c oughs> โยมจะดูความเจ็บปวดค่ะอืมลมมันวิ่งขึ้นตรงไหนแป๊บแป๊บขึ้นมาโยมก็รู้สึกเออรู้สึกแล้วเกลียดไหมไม่ชอบไหมก็ไม่ใจไม่ชอบหรอกค่ะเพราะนะมันพอรู้แต่ว่ารู้สึกแล้วมันก็เออทำให้เรารู้ว่าเออมันดีขึ้นทําให้ลมเอ อ, เ, อ, อเราไม่ได้ฝึกให้ลมเดินหรอกเราฝึกเพื่อจะมารู้ทันนะอย่างพอลมมันดันตรงนี้เจ็บนะใจเราคลุ่มใจแล้วไม่ชอบเนี่ยรู้ว่าไม่ชอบ <c oughs> นะให้รู้ที่ใจก่อนแล้วรู้ที่ใจแล้วตัวนั้นมันหายไปก็ดีแล้วล่ะค่ะ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาโยมทําบุญทําอะไรที่ว่า <c oughs> ทําบุญบางทีต้องใช้เงินเยอะๆเหมือนกันก็อย่าไปใช้สิแต่ว่าแต่ว่าโยมมันรู้สึกเฉยๆค่ะ <c oughs> โยมยังสงสัยมันน่าจะปลื้มใจมันน่าจะดีใจแต่ทําไมโยมท<ำ>ําใจมันเฉยๆกันทาทําทานแบบนั้นนะเป็นบุญเล็กๆ ถ้าเราเคยมีจิตรวมมีสมาธินะไทำทานเนี่ยจืดสนิทเลยนวัส ก, การครับหลวงพ่ อ, อ, อรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงครับผมไม่มีแรงก็ภาวนาพุโทโธไปหรือหายใจไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะเดี๋ยวมันจะได้แรงครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแนบไปกับความ สมมติว่าเห็นถูกครับแต่ว่าเหมือนมันแน่ไปกระทุกข์ครับเออใ่มันไม่มีแรงถ้ามันมีแรงใชจมันก็แยกออกมาจากทุกข์นะมันเป็นคนดูงั้นใช้ลมหายใจช่วยนิดนึงนะครับอย่างนี้คือมองสภาวะไม่ออกใช่ไหมครับไม่ออกอ่ะไม่ออกใจมันจะเข้าไปคลุกกับสภาวะนะงั้นเพิ่มสมาธินิดนึงครั บ, บ, บการนวัตการครับหลวงพ่อครับเ อ, อเมื่อคืนนี้เจอสภาวะหนึ่งก็คือพอ แต่ก่อนผมจะติดเพ่งนะครับเพราะคราวนี้ยผมก็ลองลองมาดูลมหายใจแบบ<ม>ดูทั้งตัว<ม>อืเว่าทั้งตัวกําลังหายใจอยู่เพรอคราวนี้ย<ม>เอ่ความรู้สึกคือมันจะเห็นความคิดที่ที่มีทั้งอื<ม>ทั้งทั้งเสียงแล้วก็รูปอ<ม>ืที่มันผ่านมาผ่านม า, ผ, า, นมาผ่านมาตลอดเวลา<ม>เพราะปกติเป็นคนฟุ้งซ่านนะ<ม>คิดคิดคิดไปเรื่อยแต่ว่าพอคราวนี้เราก็เห็นว่ามันมันก็คิดของมันอยู่แล้วแล้วมันม มันไม่มีสาระอะไรอืมันออไปนทาอย่างที่ทํานี่แหละทําถูกแล้วนะครับที่ยหลวงพ่อถึงพยายามสอนพวกเราว่าหายใจนะเห็นร่างกายมันหายใจเดี๋ยวมันจะได้ต่อยอดไปได้ถ้าไปเห็นแต่ลมนั้นเดี๋ยวก็เล่นกระสินเพลินไปครับแล้วผมเหมาะกับการหมอแล้วล่ะที่ทําเนี่ยทําไปดูแบบรวมๆกว้างๆครับดูนะแล้วมันจะเห็นจิต กับนวัตการค่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งเริ่มฟังซีดีได้3วันค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาเข้าขอทามามเป็นครั้งแรกค่ะก็อ พ, อ, พอลองนั่งสมาธิดูหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าบางทีติดเพ่งเกินไปนะคะออจงใจทํามันจะเพ่งนะงั้นหนูต่อไปนี้คอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันรู้ทันกิเลสบ่อยๆนะเมื่อเมื่อวานนี้พอไม่ได้ตั้งสัตว์ว่าจะถือศีลใช่ไหมคะมแต่ว่าพอเหมือน พูดปลดขึ้นมานิดนึงปุ๊บก็สะดุ้งว่าเอ้ยพูดปดนี้นาะประมาณเนี้ยค่ะอย่างนั้นแหละเราถือศีลแล้วค่ะขอบคุณค่ะหนูขอนะการบ้านด้วยได้ไหมคะหนูไปดูกิเลสเลยเกิดได้รู้ไปเรื่อยๆนะรู้สบายเราไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกฝึกรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆกลับนามาสการหลวงพ่อค่ะเ อ, อหนูฝึกปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีมาได้ปีกว่านะคะอเออ ใช้พุโทโธเป็นเครื่องอยู่ค่ะอะสภาวะที่เจอเคยมีอยู่ครั้งหนึงอะค่ะอยู่ดีๆจิตเขาก็เหมือนลอยออกมาอยู่ข้างนอกค่ะแล้วก็โลง่ลงๆวง่วงๆแล้วเราก็พยายามที่จะดึงเขากลับมาแต่ปรากฏว่าเขาไม่กลับเป็นอยู่พักใหญ่อะค่ะแล้วก็เลยเหมือนทําใจว่าไม่กลับก็ไม่กลับก็ปล่อยเขาไปแล้วพักหนึ่งเขาก็กลับเข้ามาค่ะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะ่ะ จนื้ห้ามมันไม่ได้หรอกมันก็เราสอนมวยเราสอนให้เห็นว่าฉันไม่ใช่แกหรอกมันไม่ใช่เราอะตูบออกไหมมันเป็นของมันเองไปดูเรื่อยๆแต่ต่อไปถ้ามันหนีออกข้างนอกนะหนูใช้วิธีนี้เอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจแล้วก็หายใจเอาความรู้สึกนี้กลับเข้ามาในตัวหายใจให้ให้กลับเข้ามานะจะกลับมาเร็วหน่อยช่วยมันไม่งั้นมันต้องหนีไปเที่ยวจนอิโมวิมใจแล้วกลับบางคนมันไม่กลับเลย ไม่กลับมานะลอยๆอยู่ทั้งชาติไม่ดีเลยเอาความรู้สึกจับไปที่ลมหายใจแนละ้วแล้วก็หายใจเข้ามากลับ้ามารู้สึกมับมารู้สึกนะกล่านัำพรสการหลวงพ่อคะ่ะโยมขอความอนุเคราะห์ต่อปัญหาสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งคือโยมเคยปฏิบัติแนวหลวงพ่อมานานเปลี่ยนวินหารธรรมมาบ้างแล้ว แต่ที่จริงจังก็ประมาณปีกว่าๆเกือบสองปี mm hmm. ซึ่งโยมใช้พุทโธ mm hmm. แร้วก็การดูรละลึกกายว่าพุทโธเป็นวิหารธรรมแล้วก็ตามดูจิตตามดูใจที่เปลีปย่ยนแปลงไป mm hmm. ปัญหาของโยมก็คือโยมไม่มั่นใจว่าโยมวางจิตได้ถูกหรือเปล่าเพ่งหรือเปล่าถึงฐานหรือเปล่า mm hmm. ซึ่งเคยได้ยินหลวงพ่อบอกว่าถ้าใครที่ไม่มั่นใจในการปฏิบัติว่าถูกให้ให้ดูที่การเปลี่ยนแปลงโยมก็ดูที่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโชมก็มีความพอใจในการเปลี่ยนแปลงคือโยมเห็นการแยกธาตุขันธ์แล้วก็การเกิดดับโยมเห็นแต่โยมก็ยังไม่มั่นใจในในการวางจิตของโยมอยู่อยากอกันนะถ้าเมื่อไหร่เราวางจิตผิดนะมันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้น <c oughs> มันจะอึดอัดมันจะมีน้ำหนักนะ <c oughs> ถ้าหนักก็แสดงว่าจงใจมากไป <c oughs> ก็ผ่อนคลายสันิดหนึ่งทำใจสบายๆดูเอาใหม่นะ <c oughs> เดี๋ยวข้อที่สองค่ะข้อที่สองนี้เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาโยมไปวัดป่าแห่งหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ไปดูแนวปฏิบัติของท่านก็เห <c oughs> ็นว่าท่านมีแนวปฏิบัติคล้ายๆพวกเราค่ะคือ ตาดูกายใจแล้วก็เวทนาแต่ถ้าเน้นที่เวทนาเหมือนใจย้ําว่าดูเวทนาแล้วทําให้การเปลี็นดูเวทนาการเบียดเบียเวทนาจะทําให้เหมือนจิตมันมีจิตเมื่อสติสมาธิมีมีกําลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยคิดอยาก <c oughs> ดูว่าจิตตัวเองสมาธิของตัวเองไม่ไม่ค่อย <c oughs> น่เท่าไหร่ก็คืออยากทําก็เลยลองทําดู เดิมโยมจะทำตามรูปแบบคือนั่ง30บนาทีตั้งเวลาไว้แล้วก็ตามดูกายใจการเปลี่ยนแปลงกายใจไปพอเจอเวทนาโยมก็จะเปลี่ยนท่านั่งหรือถ้าเวทนามันไปตรงที่กาลังจะหมดเวลาโยมก็เลิกปฏิบัติทีนี้โยมเปลี่ยนใหม่ตั้งเวลาใหม่เป็น4ี่สิบนาทีเสร็จแล้วโยมก็นั่งดูเหมือนเดิมค่ะกายใจเหมือนเดิ ม, มแล้วนั่งไปพอสังเกตูว่าหลัง30สนาทีเวทนาจะมาค่ะ เวทนาจะมาด่โยมไม่เปลี่ยนแล้วไม่ไม่ทำเหมือนเดิมแล้วคือไม่เปลี่ยนแล้วโยมจะจะดูเวทนาค่ะ<ม>จะดูแล้วก็ต่อดสูด้ถ้ามันคล้ายๆกับว่าดูมันไปถ้ามันเวทนาแรงๆเนี้ยก็จะอดทนมากคืออดทนมากในการดูดูไปดูไปโยมก็จะเห็นว่าเวทนานั้นแรงถ้าเวทนาแรงขึ้นนี่จิตของโยมก็จะกระสับกระสาย<ม>คือเป็นฟุ้งซ่านแล้วก็ อยากเลิอกอยากเลิอกอยากเลิกแต่โยมก็ไม่ยอมโยนให้พันี่สิบนาทีก่อนโยมก็ดูต่อแล้วโยมเห็นว่ า, เ, าเวทนามันลดลงแล้วก็จิตโองก็ลดลงได้โยมเห็นเวทนานี่แยกจากจิตกายชัดเจนอแล้วโยมก็ก็เห็นว่ า, เ, าเวทนามันเกิดดับอเห็นจิตมันเกิดดับอเอโ ย, ยมเห็นสติสมาธิชัดเจนขึ้นแล้ว เห็นความพอใจของตัวเองแล้วพอเลิกจากพอเลิกจากสมาธิโยมก็เห็นว่าสติสมาธมิมันดีกว่าเดิมที่มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันดีกว่าเดิมแต่โยมก็ยังคิดถึงคำพูดคำเตือนของหลวงพ่อว่าอย่าสู้เวทนาเวทนาถ้าชนะก็จะเป็นอัตตาหรือจะเกิดอัตตาตัว ต, วตวนว่ากูเก่งกูเก่งโยมก็คิดตรงนี้แล้วโยมก็ อยากมาขอคำชี้นะครับที่โยมทํายมชอบด้วยนะคะตัวนี้พ่อมันเห็นเห็นใล้ๆเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเราดูเวทนานะไม่ใช่เพื่อเอาชนะเวทนาค่ะแต่ดูกเปลี่ยนแปลงดูเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนรกถ้าดูอย่างเรียกว่าดูถูกกราบน้ำมศการค่ะหลวงพ่อหนูจิตไม่ตั้งมั่นค่ะไหลฟุ้งไปทั้งวันเลยค่ะบริกรรมไปสิหายใจไป หายใจไปนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ะหายใจไปเรารู้ทันจิตไปไม่ได้หายใจเอาดีเอาสุขเอสงบนะแต่หายใจแล้วรู้ทันจิตเนาจิตเป็นยังไงก็รู้หายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพุทโทพุโทพโทรไ ป, <ๆ>ไปเรื่อยจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะรู้ทันว่าจิตออกนอกครับครับ เ, เอาความรู้สึกจับไปกระลมหายใจทีละหายใจกลับเข้ามาแต่อันนี้เป็นวิธีเป็นอูบายเท่านั้นเพื่อให้เราสังเกตเห็นว่าเนียมันไปค้างอยู่ข้างนอกเอความรู้สึกจับที่ลมหายใจและหายใจกลับเข้ามาความรู้สึกตัวมันจะกลับเข้าข้างในเราก็ไม่รักษานะเข้ามาแล้วก็แล้วกันไปออกอีกก็รั่วใหม่ค่อยฝึกไปจนมันชนานาญ ใจใจไม่จตั้งมั่นเป็นคนดูแต่ไปไม่เห็นทุกข์ถ้าอยู่ข้างนอกแล้วมันจะไม่เห็นทุกข์หรอกครับนวัต ก, การหลวงพ่อครับเคยส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วครับครั้งนี้ก็เลยให้หลวงพ่อตรวจการบ้านอืในรอบสองปีครับจิต<ม>ถึงทานหรือเปล่าปกติไม่ถึงครับปกติไม่ถึงเหรอ <laughs> <laughs> ปกติไม่ถึงต้องฝึกนะรู้สึกเวลานั่งทําในรูปแบบมันจะ มันจะฟุ้งอยู่รอบๆกายครับเออนะหายใจไหมหายใจแล้วความรู้สึกกับเข้าตัวครับต้อฝึกนะค่อยๆฝึกไม่ฝึกแรงถ้าฝึกแรงแล้วอึดอัดคือมันทําสบายๆจนจนเกินไปมันเคยชินนะสบายเกินไปครับมันจะไม่เห็นทุกข์หรอกนั่นแหละจะมีแต่ความสุขรามน้ำมน้ำมกาลหลวงพ่อครับผมผมปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็มีอาการตึงที่หน้าครับไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงดีครับ ตื่ที่หน้าก็ให้รู้ทันที่ใจใจชอบหรือใจไม่ชอบลนะ่ะครับไม่ชอบครับนะให้รู้ทันที่ใจหน้าไม่สําคัญหรอกหน้านี้ไม่นานเราก็ทิ้งมันไปเขาตายเข้าก็ไปเผาทิ้งแล้วรู้ทันใจของเราไว้ใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบมันเป็นยังไง ร, รู้ทันใจไปใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางถ้าเรามีใจอยู่เรารู้ทันใจอยู่นะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะได้ใจก็ได้ธรรมแหละ เสียใจไปก็เสียเสียธรรมไม่ได้ธรรมะันน่าจะตึงน่าจะไม่ตึงไม่ต้องแก้เลยนะรู้ทันใจต้องทำให้สบายนะอย่าให้เคร่งเคลียดนะในการภาวนาการหลวงพ่อครับก็บผมฟังซีดีกับฟังพอสแคททางอินเทอร์เนต็ตมาประมาณยังไม่ถึงปีครับหลวงพ่อครั้ง mm hmm. นี้เป็นครั้งแรกที่มาว่าจะจะขอความเมตตาหลวงพ่อ mm hmm. ช่วยในชีวิต รู้สึกไหมกายกับใจเป็นโคลดอันกันเห็นไหมยังไม่ชัดกันเลยแล้วความรู้สึกกับใจอ่ะโค้ดอันอันนี้รู้สึกไหมอย่างรบกรดลงเนี่ยมันมาแล้วไปมาแล้วก็ไปครับใจเราเป็นคนดูโคลดอันกันนะอย่าถ้าเห็นแค่ว่าความรู้สึกรบกรดลงมาแล้วไปใจเป็นคนดูเป็นโค้ดอันแค่นี้ก็เรียกว่าแยกขันเป็นละะถ้าแยกสองขันก็ใช้ได้ละอครับ แต่ไปเราก็ดูไปเลยความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไ ป, ไปบังคับไม่ได้นะแค่เป็นคนดูสบายๆไปเรื่อยเ<ม>ท่านี้ก็ไปได้แล้วล่ะครับบางครั้งถ้านั่งแล้วมันรู้สึกว่าตัวหมุนหมุนแต่ไม่ไม่เชิงหมุนนะครับหลวงพอ่อไม่ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงนะคือนั่งสมาธิแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนใจเราหมุนนะครับ แล้วก็ตัวก็อยู่กับที่หายใจแรงขึ้นนิดนึงเพิ่มสติขึ้นเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นหน่อยนะกม็มากราบแมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้ทํารูปแบบต่อเนื่องมาสามเดือนค่ะอืแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังใจร้อนอยู่ก็ร้อนค่ะ <laughs> แต่ว่าติดแบบนุ่มๆขึ้นเลยแบบรู้สึกเหมือนเสียดายความร้อนเมื่อก่อนโอ้ <laughs> <laughs> เหรอ <laughs> แต่ว่า แต่แบบแต่ก็ชอบแบบนุ่มนวลแบบนี้ค่ะ อ, อยากขอการบ้านทำเราไม่ได้ฝึกเอานุ่มหรอกเราฝึกให้เห็นว่าใจนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบังคับมันไม่ได้น ะ, ะเราฝึกให้เห็นความจริงว่าจิตใจนี้เป็นของที่แปรปลวนตลอดเวลา<ม>เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะดูไปมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูความรู้สึกทุกอย่างเลยนวนแต่มาแล้วก็ไปฝึกนะอย่างนี้เรื่อยๆนะ อ, อ, อ, อ้าวกลับบ้านได้แล้ว